ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายประสูทธ์ในวันนี้เราจะได้พูดในเรื่องกุรุธรรมชาดกคือว่าด้วยธรรมะของชนชาวกุรุซึ่งมีนัยยะที่สนับสนุนกับกุรุธรรมจริยาที่เคยกล่าวมาแล้วแต่ว่าคนและนัยยะกันมีข้อความในเบื้องต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุง สาวัตถีกิติเวชตะวันภิกษุทั้งหลายก็ไปอาบน้ากันที่ริมแม่น้ำอาจิราวดีก็มีพระสองรูปองหนึ่งถ น, นัดในด้านดีดกรวดก็นั่งคุยคุยกันก็พอดีมีหงบินมาในอากาศองหนึ่งก็บอกว่าคุณเชื่อไม้ว่าผมสามารถดีด ต, ตาของให้ทะลุได้องหนึ่งบอกว่าท่านทำไม่ได้หรอก อีกองที่พูดแกบอกว่าเอาละคือไม่ใช่จะ ด, ดีด ต, ตาซ้ายนะจะ ด, ดีด ต, ตาขวาเลยจะ ด, ดีด ต, ตาขวาเลยก็เพื่อนก็ไม่เชื่อคือไม่เชื่อว่าแกจะทำหรือว่ากล้าทำนะฮะในนี้องนี้แกก็เอาไอ้ก้อนกรวดมาสามกรวดแกดีดขึ้นไปให้เสียงดังทีเนะี่ยพอขนพอหงมันเอี้ยวคอมานะฮะ ก็นั่งอยู่ด้านตาซ้ายพอเอี้ยวคอมาตาขวามันก็ปรากฏแกดีดพล้อก็ไปข้าตาขวาไปตะลุตาซ้ายผมก็ตกลงมาที่หลานนั้นพระที่ไปอาบน้าด้วยการเห็นก็ลุกขึ้นมาก็ถูกตําหนิมากเสร็จ แ, แล้วก็นําข้อความเหล่านี้มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงตําหนิถึงความโหดร้ายของวิกษุรูปนี้ามากแล้วก็บัญญัติสิกขาบทที่หนึ่งแห่งสปานวั คือภิกษุฆ่าสัตว์ต้องอบัติปจิตตินะฮะในพระวินัยบิดกดวันนี้มันก็โยงกันฮะก็อยู่ในพระพระวินัยบิดกด้วยมาอยู่ในชาดกด้วยก็อยู่ในที่อื่นเลยแต่ว่าในที่นี้ทรงเน้นไปที่ประเด็นของให้รู้สึกรังเกียจบาปว่าเธอพวกเธอทั้งหลายนั้นควรจะมีความรู้สึกรังเกียจบาปหวาดกลัวบาปแม้เพียงเล็กน้อยเหมือนบุคคล11คนในอดีต พิสูจนทั้งหลายก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าในอดีตการนานมาแล้วเมื่อพระเจ้าพระมทัตเสวยพระราชสมบัติอยู่ในไม่ใช่ฮะพระเจ้าทนัญชัยก็รับพยะติดพระเจ้าพระมหทัตเลยพระเจ้าทนัญชัยก็รับพญานะฮะเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองอินทปัตพระองค์ได้สมาทานกุรุธรรม กับมีช้างพิเศษอยู่ตัวหนึ่งลักษณะคล้ายคลยกับ ป, ปัจจยนาเคียนของรรเวสันดอนะรแต่ว่าสีเป็นดอกอัญชัน ต, ต่อมาในแคว้นกาลิงคราชก็เกิดแห่งแรงเกิดฉาตกภัยเกิดความแห้งแรงแล้วก็เกิดมหิวาตกโรคคนตายกันมากพระราชาในแคว้นนั้นก็เรียกพวกเสนาข้าราชการมาสอบถามว่า เวลาเกิดอันตรายเช่นนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาทำยังไงกันปกกุโรยิทธก็แนะนําว่าพระราชาจะต้องตรวจ ด, ดูทศพิธราชธรรมของตนเองตรวจ ด, ดูราชาสัญญาของตัวเองแล้วก็ตรวจจักรวรริวัตของตัวเองว่ามีความบกพร่องหรือไม่ที่เป็นเหตุให้ฝนฟ้ามไม่ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนบอกก็ตรวจแล้วนะเนี่ยก็ไม่เห็นมันบกพร่องตรงไหนเลยแล้วทาไมฝนมันจึงไม่ตกอะ ก็หาวิธีกันด้วยต่างวิธีการต่างๆถ้ า, ท, าที่จะช่วยเหลือกันได้ในสมัยนั้นก็ปรากฏว่าฝนก็ยังไม่ตกอยู่นั่นแหละก็มีคนเสนอว่าพระเจ้าทานัญชัยโกรรพยาเนี่ยแต่เมืองอินทปัตท่านมีช้างพิเศษอยู่ก็น่าจะไปขอช้างจากพระองค์มาแล้วฝนคงจะตกเพราะบ้านเมืองของพระองค์มณฑลสมบบนดีมีช้างอยู่วันนี้ก็ไปขอช้างแนวเดียวกันนะฮะกับเรื่องประเทศสันดร แคว้นกาลิงกาลาดคือแคว้นโอริสซาปัจจุบันเนี่ยก็ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะแต่แหงแร้งอยู่เหมือนเดิมทุกวันเนี่ยก็แต่มากราบทูลขอช้างจากพระเจ้าถนนชัยพระเจ้าถนนชัยก็เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะเมื่อเขาขอท่านก็ให้เลยพวกนี้เอาช้างไปไปแล้วปรากฏว่าก็ฝนไม่ตกเหมือนเดิมเอ๊ะมันเป็นยังไงช้างมาอย่างเงฝนไม่ตก มันก็คิดกันใหม่ตรวจดูกันใหม่ว่าคงไม่ใช่เพราะช้างแล้วมัง้งคงจะเพราะเรื่องอื่นอะที่ตกในที่สุดก็สรุปว่าเพราะพระองค์ปฏิบัติกุรุธรรมกุรุธรรมที่เคยพูดมาแล้วนะกุรุธรรมคือศีลห้าเออควรจะไปขอกุรุธรรมมาด้วยในที่สุดก็ทรงคนมาขอกุรุธรรมพระเจ้าถนนชัยท่านบอกว่าจริงนะฉันรักษากุรุธรรมจริง ถ้ามีปัญหานะฉันรังเกียจอยู่คราวหนึ่งกลัวว่ากูรุธรรมจะไม่บริสุทธิ์รังเกียจเรื่องอะไรบอกว่าไม่คราวหนึ่งเนี่ยฉันไปซ้อมยิงธนูมันยิงยังไงไม่รุนธนูไม่ตกในหนองสงสัยว่าปลาจะตายมั้งงกลัวกลัวว่ากูรุธรรมข้อแรกจะขาดแต่เมื่อเธอต้องการจะจดก็จดไปแล้วก็แต่ทางที่ดีฉันว่าเธอไปขอพระชนนีฉันดีกว่าท่านรักษาบริสุทธิ์มากตรงนี้ก็จด แกก็ให้เหตุผลว่าแหมพระองค์ยิงธนูขนาดนั้นไม่ได้เจตนาจะฆ่าสัตว์ให้ตายนั่นจะเป็นบาปได้ยังไงแต่ว่าท่านก็รังเกียจนะแหนงใจในเรื่องไอ้ธนูมันหล่นลงไปตันปักลงไปในหนองไม่รู้ไปเจอปลาบ้งหรือเปล่ามาถึงก็พระชนนีพระชนนีท่านบอกว่าแกฉันเองแค่ก็ไม่สบายใจอยู่เรื่องนั้นกันนะสงสัยว่ากุรุธรรมมันจะไม่บริสุทธิ์คือท่านตั้งหลายได้จําไว้นะกุรุธรรมคือศีลห้านะทีนี้ พวกพราหมณ์ทั้ง8ดคนที่มาเนี่ยก็ถามเพราะเหตุอะไรบกมีอยู่คราวหนึ่งมีพระราชาต่างเมืองก็ส่งแก่นจันทราคาหนึ่งแสนกหามปัญะกับดอกไม้เงินดอกไม้ทองราคาพันกระหะาปณะมาถวายพระราชาพระราชาก็ไม่เอาก็ เ, าเอามาให้ฉันฉันก็นึกถึงลูกสะพ้ยแล้วนึกจะให้ลูกสะพ้าแต่ลูกสะพ้าคนโตนั้นก็คือพระมหาเสด็ี แกก็รั่งรวยอ่ะลูกสะพ้ายคนรองเมียอุปราชฐานะยากจนฉันก็เลยเอาแก่นจันราคาหนึ่งแสนไปให้ลูกสะพ้ายคนเล็กเอาดอกไม้เงินดอกไม้ทองราคาหนึ่งพันไปให้ลูกสะพ้ายคนใหญ่มานึกแหน่งใจแต่ว่าไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ขาดขาดเชิดถาประจายยิกรรมคือธรรมะที่ควรแสดงความอ่อนน้อมยกย่องผู้ใหญ่ไม่สบายใจกลัวว่าศีลพิจฉา ไอพวกนี้ก็บอก่าไม่เป็นไรเจ้าแม่ไม่เป็นไรขนาดนั้นไม่ได้เจตานาท้าก็เมตตาสงสารสะพายคนเล็กเขาอยากจนกว่าก็ให้ไปแต่ว่าเธอจะาจด ก, ก็จดตวจัน์ก็เนี่ยไม่สบายใจอย่างเงี้ยจะเธอไปขออุปราชก็ดีกว่านะไปขอมาเหสีก็ดีกว่าฮะไปขอมาเหสีก็ดีกว่ามาเหสีนี่เขารักษากรุธรรมบริสุทธิ์อันนี้ก็ไปหามาเหสี ไปถึงมเหสีบอกว่าฉันรักษากรุธรรมจริงอะแมแต่ฉันก็แหน่งใจหนะ้าเรื่องหนึ่งอะถามว่าเรื่องอะไรมันวันหนึ่งพระอนุชาคือมหาอุปราชนะเขาแต่งองค์ทรงเครื่องขัตติยาพรเต็มยศโดยทรงมา้าผ่านท้องไอผ่านพระราชาวาังไปฉันมองดูด้วยความชื่นชมแล้วมันเกิดวูบขึ้นในใจเออ้าราชาที่วงคตรฉันจะเป็นมาเหสีของอุปราชน้องก็หนุ่มดีกว่าพี่เขา ชูทางใจอะกลัวจะมีปัญหาเนะี่ยกลัวกระรุรรมจะบกพร่องไปเขาบอกไม่เป็นไรเราบางความคิดว่าท่านบอกกับฉันก็แหนงใจนะแต่ว่าเธอจะจดก็จดไปเถอะแต่ถ้าให้ดีฉันว่าไปขอมหาอุป ร, ราชเขดีกว่า<ๆ>ก็ไปขอมหาอุป ร, รัตอีกมหาอุป ร, ราชเมื่อไปขอนั้นแกก็บอกว่าก็ได้อยู่นะ เดี๋ยวฉนเองพ่างก็ไม่สบายใจอยู่เรื่องนะเหมือนกันคือมันมันเวลาปกตินะอุปราชจะไปนอนกับพี่ชายบ้างนะบางคืนก็ไปนอนกับพี่ชายบางคืนก็นอนกับวังตัวเองถึงเวรข้าวพี่ชายก็ไปนอนกับพี่ชายปกติก็นอนในวังตัวเองทีนี้ท่านจะออกทางไหนท่านจะข้าวทางไหนเนี่ยท่านเอาแท่กับผ้าผ้าถือวางไว้เป็นสั ญ, ญลักษณ์นะฮะและท่านจะออกทางนั้นท่านจะออกเวลานั้นเพราะงั้นไอ้บริวารก็จะมาคอย ก็ขึ้นหนึ่งฝนตกฝนตกพี่ชายก็บอกนอนเนี้ยนะอยากจะไปเลยฝนตกท่านก็เกรงใจเกรงใจพระราชาก็นอนไอ้พวกปริวาล น, นึกว่าราชกุมัรจะเสด็จออกทางนี้ก็เฝ้ากลางฝนก็อยู่งั้นยังรุ่งเลยรุ่งกันเชา้าท่านตกใจตายศีลขาดแล้วคือมันมันใกล้ใก้สัญลญักษณ์เนี่ยมันมันใกล้ใเป็นคําพูดอะ่ะบัาถะฉันวางตรงนี้หมายความว่าฉันออกทางนี้ก็กลัวว่า จะเป็นเรื่องการหลอกลวงบริวารไปเมื่อเกิดแหนงใจในศีลข้อที่สี่ฉัว่าถ้าให้ดีเธอไปไปขอกับปุโรหิตก็ที่บานนะปุโรหิตเขารักษาศีลสะอาดดีก็ไปหาปุโรหิตอีกกปุโรหิตบอกว่าเอาก็ได้นะแต่ฉันเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันว่มไม่รู้บริสุทธิ์หรือเปล่าไหมลูกแล้วก็ถามมาเรื่องอะไรแกบอกว่าคราวหนึ่งเนี่ยมีคนถวายรถประดับประดาอย่างดีเลย มาถวายพระราชานะแล้วก็ท่าก็สอบถามมาเอารถไปไหนก็บอกว่าส่งมาถวายพระราชาท่านก็วูบขึ้นความคิดแบบบอกแม้เราตอนนี้แก่แล้วถ้าพระราชาให้รถนี้เราก็คงดีนะมาเฝ้าไม่ต้องเดิดเหนื่อยมันเกิดโรคขึ้นมาแล้วพอท่านเข้าไปเฝ้าพอดีไอ้พวกนี้ก็ข้าวตามกันไปฮะพอตามกันไปพอเขาบอกถวายรถนะพระราชาพอทอดพระเน็ดดูรถยกถวายอาจารย์เลยให้อาจารย์เลยให้บุโรหิตเลย ท่านก็ไม่รับอะท่านก็แหน่งใจเพราะมันโลภอยากได้ล่วงหน้าก็ก่อนแต่เขาจอดจนเป็นของเขานะฮะเขไม่รับในที่สุดพระราชาก็บังคับให้จังได้ให้เอาไปให้ใช้อาจารย์แก่แล้วได้ไม่ไม่ต้องมานั่งรถลำบากไม่ไม่ต้องมาเดินลำบากฉันว่าถ้าให้ดีนะเธอไปไปไปไปขอไปอัมมาดเจ้าของรางวัลที่ดินนะฮะรางวัลที่ดินดีกว่าเขารักษาไปรักษาดี ปีนี้ก็ไปอีกไปหาอามัดผู้รังวัดที่ดินแกบอกว่าฉันก็รักษามานานเหมือนกันนแต่ว่าก็มีปัญหาอีกอะฉันอะแล้วก็ถามมีปัญหาอะไรก็บอกว่าคราวหนึ่งมันไปวัดที่ดินให้คนหนึ่งไอ้ปลายเชือกปลายเชือกแกผูกไม้อีกด้านหนึ่งนะมันปักชั่วลงบนรูปูพอดีเลยจะขยับถ้าขยับออกไปมันก็กินที่คนอื่น ก็ไม่ไยากขยับออกไปมันก็กินที่หลวงอย่างไถ้าขยับเข้าวมามันก็กินที่ชาวบ้านก็ไปโกงที่ชาวบ้านเขาแกไม่รู้จะขยับตรงไหนคือขยับไปขยับมามันลงอยู่บนนั้นนะฮะการทำยังไงก็ต้องจําเป็นต้องกดลงไปปรากฏลงไปแล้วยินเสียงนั้นกึบ๊บไม่รู้อะไรมถูกอูหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยแล้วนะเธอจะจดก็จดไปต้องลงมาให้ให้เรื่องนี้แต่ถ้าให้ดีฉั้นว่าเธอไปหาเอกช่างตวงดีกว่าเพรารักษาดี ตั <S <Q>. <S ้งตวงคือตวงข้าวของหลวงนะฮะเป็นพนักงานในการตวงข้าวหลวงแต่เสร็จแล้วไปแกก็บอกเหมือนกันนะก็แล้วแกบอกว่าฉันเองก็ชักจะมีปัญหาเหมือนกันนะคือวันหนึ่งในขณะที่ตวงข้าวอยู่เนี่ยตวงข้าวกับไงข้าวข้าวคะแนนนะข้าวคะแนนก็หยิบไปทีละเม็ดทีละเม็ดอ่ะที่เราเป็นเป็นคะแนนคะแนนคล้ายๆกันไม้ติ้วอะไรนี่นับคะแนนไปกี่ถังแล้วกี่ถังแล้วเนี่ยทีนี้ ฝนมันตกไอรไออารามที่ตาลีตาลานนะแกรวบออข้าวเนี่ยข้าวเนี้ยซึ่งแกหยิบมาจากไอไอข้าวที่ตวงแล้วนะแต่พอตอนนั้นแกเกิดงงอนะฮะไม่รู้มันไอไคะแนนไปใส่ไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ใส่กองซ้ายหรือกองขวาคือกองที่เป็นของหลวงหรือกองที่เป็นของชาวบ้านก็ไม่รู้สงสัยจะเป็นอาทิตย์นาธานนะท้ายดีคุณไปขอกองเศรษฐีก็ดีกว่าเศรษฐีก็รักษาดี เศรษฐีบอกไอ้ผมมันก็เหมือนกันนะมีปัญหาอยู่เหมือนกันแหละมันคราวหนึ่งข้าวกําลังสุกนะฮะข้าวกําลังสุกแกก็ไปไอ่เอาเอาเอข้าวคล้ายๆจะมาทํำข้ า, าวเม่าอะไรเนี่ยนะคือเอามาก่อนเนะ่ยเอามาจากน า, ารวบข้าวเป็นเป็นเป็นอะไรคล้ายๆก็เป็ น, เ ป, นเป็นพุ่มไว้นะแต่ว่าตามเรื่องบอกว่ายังไม่ตัดมานะ แล้วก็กลับมาถึงบ้านเกิดรังเกียจว่าข้าวในยังไม่ได้เสียภาษียังไม่ได้เฉลี่ยเสียภาษีเอามาันจะก่อนแล้วกลัวจะเป็นการยักยอสงสัยว่าเสียภาษีนาทินาทานอะไรม้แต่ถ้าให้ดีฉันว่าเธอไปหาเอกคนข้าวประตูดีกว่านะเขารักษาดีอันนี้ก็ไปกแต่ว่าจดไปให้ทุกคนนะจดไปของทุกคนแต่ว่าสี่ห้าทั้งหมดนั่นแหละไปถึงนายคนข้าวประตู เราไม่ใช่สารัีก่อนไปหาสารัถีขับรถสารัถีขับรถขับร ถ, บรถม้าอาชานในอย่างดีนะฮะขับรถมาอุปราชวันนั้นอ่ะพอดีในขณะที่มาใกล้วางฝนมันเกิดตั้งข้าวจะตกไอสารัีมันไปยกให้สัญญาณแท้ให้ม้าวิ่งเร็วซึ่งในที่ควรวิ่งปกตินะฮะม้าชาในาเนี่ยพอยกแท้ันรู้ทันทีเลยว่าทํำยังไง ไม่ต้องลงแช่แต่ข้าไปถึงวางฝนยังไม่ตันตกชารทีก็เกิดมานั่งกอดเข่าจอจุกไอ้ตายแล้วตอนนี้จะโกหกมาเขาเนี่ยโกหกมาเขาอะ่ะพอให้สัญญาณอย่างนี้แสดงว่าม้าต้องวิ่งตรงนี้ยกแช่อย่างนี้วิ่งยังไงยกแช้อย่างนี้วิ่งยังไงไปให้สัญญาณวิ่งเร่งเร่งในที่ที่ไม่ควรเร่งทําให้รถกระดอนแล้วทําให้ม้าเหนื่อยกลัวบาปแจ้งได้ถ้าให้ดีคุณไปขอคนข้าประตูก็ดีกว่านะเขารักษาดี นนี้ก็ไปหาคนเฝ้าประตูอีกไปถึงก็พูดกันก็ทำนองเดิมนมฮะแต่ว่าเอ๊ันเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันมันมีคราวหนึ่งมันจวนจะปิดประตูแล้วมีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนเข้ามาไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปตัดฟืนนะฮะตัดฟืนสองคนกลับมาแล้วแกก็ไปดุเขาคุณอะไรไม่รู้จักเวลาเลยนึกว่าในบ้านในเมืองไม่มีพระราชาหรือยังไง กลับมาถึงเวลาจะปิดประตูแล้วไปเที่ยวสนุกเพลิดเพลินกับเมียอยู่ได้ยังไงในป่ า, าชาวบ้านก็บอกก็ไม่ใช่เมียนะพี่นะน้องสาวผมนะกูแกตกใจตายแล้วตายแล้วแกบาปจังเลยเนี่ยไปว่าน้องสาวก็เป็นเมียเขานี่โอ้ใส่ร้ายตายแล้วเสียดเสียหมดแล้วทีเนี้ยโดยไม่สบายใจมาตั้งแต่วันนั้นแล้วมันก็กลัวบาปจังไม่ดีๆแล้วคุณไปหาวันนางนางวันณาทาสีดีกว่านะนางวันณาทาสีเขาเก่งเารักษาดี อนนี้ก็ไปอีกแลววันเดินทางโจทย์มาสิบคนไปที่คนที่สิปไปหานางวันนาธาสีนางวันนาธาสีนั้นก็แปลกนะชื่อนี่แปลกแต่ว่าในตัวบาลีในตัวคาถานะฮะตัวคาถานี่เรียกว่าแพทย์สยาประตูอันตรกระถาเรียกว่าวันณาธาสีออดูคล้ายๆกับอะไรมันดูมันก็เมียเช่าสมัยนี้ฟังดูนะลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นเน่ยนางวันนาธาสีแกบอกว่าแกเองก็มีปัญหาเหมือนกัน คือมีคราวหนึ่งเท่าสกเทวราชต้องการมาทดลองพวกนี้ไว้รักษาศีลดีไหมก็เอาเงินมาให้นางวันธาทาสีไปผ่านขาปัญะบอกแล้วจะมาอยู่ด้วยไม่มาเลยไม่มาเลยให้เงินไว้แล้วไม่มาเลยแล้วนางวันนาทาสีนี่แกก็ซื่อสัตย์เลยฮะแกไม่ยอมไม่ยอมไปอยู่กับคนอื่นเลยพอถือได้ตกปากรับคำของพระพุจ้าคนนี้สามปีผ่านไป ยากจนลงเงินทองก็ไม่มีพันกระหาปณะนะจ่ายสามปีจะเจอสมัยนี้แล้เจ๊งเลยแล้วเลยไม่รู้จะทําไงอะ่ะแกก็ไปฟ้องที่ศาลเลยฟ้องศาลบอกมีผู้ชายคนหนึ่งเอาเงินมาให้มัดจําไว้สามปีแล้วไม่โผล่หัวมาเลยตอนนี้แกลําบากมากเลยเดือดร้อนมากอจะทํายังไงดีละ่ะศาลก็ตัดสินนะตัดสินว่าเมื่อเขาไม่มาสามปีถือว่าหมดสิทธิ์เธอมมีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ร่วงกระชายอื่นได้พ อ, อ, อแกออกจากโรงศาลเน่ย โอโจรลงศาลก็มีผู้ชายมาเสนอให้เงินกระหาปณะนะตกพอตกลงกันฮะตกปากรับคำเพ่าเอื้อมือจะรับอะเอื้อมือจะรับจะไม่ได้รับนะเอื้อมือจะรับจะไม่ทันได้รับทาา้าวสกกะปรากฏองค์เลยปรากฏในรูปผู้ชายวันก่อนอะแกก็โคตมือกลับโคตรมือกลับแต่เสร็จแล้วทาา้าวสกกระมาทางกัลยาฟังว่าต้องการมาทดสอบดูความเข้มแข็งว่าในเวลาที่เธอวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเธอเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยเธอจะสะบัดไอ้กรุ๊ตธรรม เมื่อเธอรักษากรุธรรมไม่ได้เลยท่านก็ให้พรให้รางวันรับร่ํา ร, รวยไปเลยแต่ยังไงก็แหนงใจนะเอื้อมือไปรับแล้วแต่ยังไม่ได้รับนะเอื้อมมือไปรับแล้วแต่ยังไม่ได้รับเพราะงะั้นทั้งคนทั้งหมดทุกคนแหนงใจหมดเลยสิบอ็ดคนมีปัญหาหมดแต่ทุกคนก็บอกกรุธธรรมให้นะฮะแต่ว่าที่จริงเขาก็จดไปทุกคนแต่ว่าเราจะเห็นว่าเออมีปัญหาทุกคนเหมือนกัน พวกนี้ก็นำไปก็ไปโฆษณาชักชวนเชิญชวนให้ชาวแวนกลิงก ร, ราชได้รักษากุรุธรรมคือศีลห้ากันฝน ฟ, ฟ้าก็ตกต้องตามระดูการโรคภัยไข้เจ็บก็เหือดหายไปในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปชาดกถึงคนในสมัยนั้นทั้งหมดนะฮะเริ่มมาจากพระเจ้าธ น, นชัยก็เป็นพระองค์แต่พระองค์สรุปมาจากปลายไปหาท้ายนะ เป็นนางวนาธาสีมาเป็นนางอุบลวนาเทวีนายประตูก็มาเป็นนะนายประตูมาเป็นพระมาหากัสสปะนะนายประตูมาเป็นมาเป็นพระมหากัสสปะในสารีมาเป็นพระโมคขลานะปุโรหิตมาเป็นพระสารีบุตรอุปราชมาเป็นพระอานนท์นางพระนุชเอ พระเทวีนะฮะมาเป็นพระนางพมพาพระช น, นีก็มาเป็นพระช น, นีแล้วก็พระเจ้าธนญชัยก็มาเป็นพระองค์แล้วสรุปกลับมาอีกทีแสดงว่าพวกนี้พระมารชาตินี้ยมันก็บรรลุมรควนไปหมดเลยทั้งทั้งสิบอ็ดท่านเป็นเป็นพระยะบุคคลไปหมดประเด็นประเด็นที่ต้องการเน้นตอนนี้ท่านเน้นในที่นี้นะฮะท่านเน้นเรื่องความละอายบาปเรียกว่าอนุมัติเตสุวัตเยสุพยดาซาวีสมาดายะนะฮะ คือเป็นผู้ปกติเห็นหน่ากลัวในโทษแม้เพียงเล็กน้อยนะฮะแม้เพียงเล็กน้อยแสดงถึงสภาพจิตใจที่มีความสะอาดมากเพราะรังเกียจบาปเป็นผู้รังเกียจบาปแม้เพียงเล็กน้อยท่านเล่งท่านท่านเหล่านี้ก็รังเกียจพระพุทธเจ้าต้องการให้ดูแนวของโบราณบัณฑิตทีนี้เรามาเริ่มต้นจากปฐมบัญญัติของพระวินัยนะฮะอันนี้มันตอนหนึ่งมันไอตอนหัวมันอยู่ที่พระวินัยบิดกแต่ว่าก็ท่านยกมาพูดใน อัตกรถาชาดกอีกทีหนึ่งคือเราจะเห็นถึงถึงพระที่เป็นต้นบัญญัติในสมัยนั้นนะฮะมาท่านก็เหลือกําลังรากเหมือนกันแล้วก็เหลือกํำลังล่าเหมือนกันโซนก็เท่านั้นนะฮะโซนก็เท่านั้นดื้อก็เท่านั้นกระล่อนก็เท่านั้นเออสิกขาบทบางสิ่ขาบทเนี่ยไล่าตามบัญยัตกันเลยเหมือนคนสมัยนี้มานั่งตีความแลธรรมนูญกันอยู่เลยเกบัญญัติแล้วเอาแล้วแล้วแกออกไปตะแบงออกไปอีกช่องหนะึง บัญรรยายนี้แกจำแบ่งออกอีกช่องหนึ่งแกแกตีรวนจนก็ดีนะครับแต่จริงเราบองอีกอย่างนึง ด, ดีคือทําให้วินัยมันสมบูรณ์ขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าจะไปบัญญัติตีกรอบปั้งลงไปเลยโดยไม่มีใครทําผิดเนี่ยมันจะไม่มีความขลังในด้านบทบัญญัติจะควรเห็นว่าคนก็ไปทําอะไรอย่างเงี้ยจะไปบัญญัติได้ยังไงพระท่านบวชมาแล้วาจะไปฆ่าสัตว์ได้ยังไงดูดิโคงบินไมเ่เฉยๆเกิดมันอารมณ์บดีตายกันเลย เกณฑ์ส่วนขนาดนั้นว่าไงพระสมัยก่อนนี่คือคนนะฮะเรามองดูเราจะเห็นในแง่ของความเป็นจริงอาตมาเองมองมองมองโลกในแง่จริงนฮะว่าพระสมัยก่อนนั้นถ้าพูดถึงเร็วแล้วก็บรรมาเร็วเลยฮะพระสมัยนี้เร็วไม่ถึงนะฮะพระสมัยก่อนเร็วพระสมัยนี้เล็วไม่ถึงแต่พระสมัยก่อนดีพระสมัยนี้ดีไม่ถึงนะนั่น เวลาดานดีดันเป็นพระอาราหาันได้เป็นพระยบุคคลได้ทุกระดับเลยแล้วก็มีผลงานมียกยยะเลยพระเราดีไม่ถึงแต่เร็วเรวไม่ถึงให้รู้ไว้อย่างหนึ่งพระสมัยนี้เร็วไม่ถึงพระสมัยนั้นนะฮะแน่นอนยังเรารู้ข่าวพระไปเที่ยวยิงไปเที่ยวทะเลาะชาวบ้านสูเปโร อ, อินเมาล่าอะไรอะไรเนยแต่พระสมัยนั้นอย่าลืมนะฮะวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วฆ่าพระพุทธเจ้าทีเดียวนะฮะ เป็นกบฏเลยฆ่าพระพุทธเจ้ากริ่งหินปุ่งปุ่งปุ ง, ปงลงมาให้ทับ พ, พระพุทธเจ้านะ่ะยังไงยังไงบ้านเมืองเราเ ย, ะนะยังดีเยอะนะยังดีเยอะพระพระในเมืองไทยเรายัางในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่มีใครเคยวางแผนฆ่าสังกราชแล้แต่ว่าเราดีไม่ถึงท่านเท่านั้นเองนะฮะทีนี้การคันนองนะลักษณะ น, นี้เราเรียกคันนองเลยขี้อวดด้วยโดยโดยลืมสถานะของตัวเอง ไอ้ความจำนี้จำนาญในเรื่องบางเรื่องสมัยเราเป็นคารวะนั้นก็เรื่องใช้ในสมัยเป็นคาวรวะพอมาเป็นพระมันออกมาใช้ไม่ได้แต่องค์นี้มันก็คือขนองต้องการแสดงฝีมือฝีมือในการดีดกรวดสมัยนั้นถือว่าเป็นงานอย่างหนึ่งเป็นฝีมืออย่างหนึ่งในการดีดกรวดเนี่ยคือสามารถทํามาให้กินได้อย่างที่เคยเล่าว่าคนดีดมูลแพ้ข้าวปากุูรหิต ท, ที่เป็นถึงได้บ้านสวยถึงสิงบสี่ตำบลอ่ะก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ในแง่ของศิละปะในแง่ของธรรมะคือศิละปะไม่มีปัญหาแต่วิชาความรู้นะมันอยู่ที่การใช้ถ้าใช้ไม่ดีก็เป็นอันตรายอย่างที่เคยบอกว่าแนวของพระพุทธเจ้านั้นวิชาจรณนะคือมันมั น, ม, นมันต้องโตพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าเราให้วิชาให้ความรู้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าจรณะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้พัฒนาการจิตไปเราให้เครื่องมือให้ปืนแก่ไปแต่ไม่ให้วิธีใช้ปืนให้ไม่ให้จิตใจที่รักษาปืนควบคุมการใช้ปืน เดี๋ยวแกก็อืนไปปล้นคนนั้นเองดังนั้นพระเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าแกใช้ศิละปะไม่เป็นเราไม่ได้ตําหน İ ิในตัวศิละปะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตําหน İ ิในตัวศิละปะนะฮะพระพุทธเจ้ายกมาตําหนิในเรื่องการไม่ละอายบาปไม่ละอายบาปไม่ร Man ังเกียจบาปเพราะที่จริงนั้นไอเจตนาก็คงไม่เจตนาฆ่านะฮะแต่ท่านไม่เนึกว่าอย่างนั้นมันตาบอดอ่ะอย่างนั้นสัตว์มันก็ตาบอดแล้วก็อะ อาจจะถึงตายนะฮะแต่ความคึกกขนองพระพุทธเจ้าจึงไม่ติติประเด็นนั้นแต่นั่นก็คือการฆ่าสัตว์อย่างหนึ่งในแง่ของวินัยทรงบัญญัติพระวินัยไปห้ามไมา่ให้พระฆ่าสัตว์พอมาถึงในแง่ของธรรมะทรงเชื่อเห็นว่าจะต้องมีความละอายลังเกียจปาปแม้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าบาปนั้นมันก็มีลักษณะแปลก ใ, ใจคนนะฮะใจคนเหมือนกับผ้าขาวใจคนที่ ศึกษาปฏิบัติธรรมะมานั้นจะพบว่าจะมีความละอายบาปอ่อนไหวต่อบาปมากเลยบาปนิดเดียวเท่านั้นเองอะ่ะเป็นบนทินใจเยอะแยะเลยแล้วพวกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจําไม่ค่อยจําความดีของตัวเองคือตามความดีไปสบายสบายไไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องความดีคือไม่ค่อยคิดถึงความดีเพราะว่าคนที่คิดถึงความดีที่เราทําำคนนั้นคนนี้นันน่หวังแผงวางแผนจะทวงหวังแผนจะทวงเราไม่ได้คิดเราก็ทํำไปแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วหน้าทีา่ทั้งหมด แต่บาปเนี่ยเราเรอนงใจ ร, รังเกียจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าปฏิบัติให้มีบาปซึ่งต้องรังเกียจใจมันจะเป็นมนชินเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งอย่างที่เคยพูดถึงเรื่องอาสนรรกรร ม, มรกรรมเมื่อเราจวนจะตายว่างๆพวกนี้มันก็โผล่พรวดขึ้นมาเราตั้งหลักไม่ทันเราไปเอาดือๆๆอาด้อไปดื้อทั้งๆ ท, ที่บุญเยอะแยะไปหมดเลยตอนในขณะนั้นจิตมันเศร้าหมองขึ้นมา ทีนี้เรามาดูถึงแนวความคิดคตินิยมสมัยโบราณนะเราจะพบว่าเมืองไทยเรามันก็คือการที่แห่นั่งแมวหรืออะไรต่ า, างเมืองชนก็เอาควายต <c oughs> ่ก็สรุปว่ายังอขอฝนวิธีขอฝนนะยังยังหาปัจจัยภายนอกแต่เรามองอีกทีหนึ่งคนสมัยนั้นดีกว่าสมัยนี้ตอนตั้งหลายสังเกตนะฮะว่า สมัยก่อนถ้าเกิดข้าวยากหมากแพงขนแรงไม่ตกต้องตามระดูการมีทุพพิกภัยบงังเกิดขึ้นมีอันตรายบังเกิดขึ้นข้าวไม่ขึ้นราคาอะไรตายนี่ยเขาไม่ดูข้างนอกนะเขาไม่ดูโทษตลาดโลกหรอกแต่เขาดูผู้ผู้ ผ, ผ, ผ, ผู้บริหารขาดธรรมะหรือเปล่าดูที่ตัวเองวิเคราะห์ตัวเองให้หมดแลก่อนทุกทีเลยอันนี้เรื่องแปลกมากเลยเป็นเรื่องแปลกว่าการสัตริย์สมัยโบราณนในข้าขั้นจริงๆไง ท่านไม่ดูข้างนอกนะฮะพอเกิดปัญหาปั๊บท่านวิเคราะห์ท่านท่านบกพร่องตรงไหนมั่งแล้วก็ดูก่อนอื่นก็คือคุณธรรมคุณธรรมภายในจิตใจของท่านเองฮะว่าท่านมีคุณธรรมเลวทำอะไรบ้างไหมผิดทศพิธราชธรทำข้อใดบ้างไหมถามว่าผิดท่านแก้ท่านแก้ที่ตัวท่านท่านปรับที่ตัวท่านปรับในวางของท่านก่อนปรับบริเวณไอไอข้าราชการอะไรของท่านเสร็จคือก็ถือว่ามันมีส่วนนะ มีส่วนวันก่อนยังคุยกับป้าพวกฮะเขาบอกว่าที่บางแห่งเนี่ยมันเย็นมันสงบมันเย็นจะเยือกเราเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่าคนดีมันอยู่ที่นั้นเทวดาก็มาอยู่ด้วยเทวดาก็มาอยู่ด้วยเลยให้ความเมตตาให้ความไม่ซีแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายวัดนั้นมันก็เย็นสงบสบายน่าอยู่น่าอาศัยแต่ถ้ามีคนเลวเทวดาก็ไม่อยู่มีแต่ผีหาซาตานมาอยู่แล้วมันร้อนฉาเลยเข้าไปในฐานที่นั้นนั้นๆๆ เป็นเป็นเรื่องที่ให้ลองสังเกตว่ า, าพวกนี้มีอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยนะฮะถ้าในหมู่เราดูว่าที่ไหนที่มีความรุนแรงมากมีการเบียดเบีย น, ป, ยน ป, ร ป, รประทุตลายกันมากอากาศอะไรบางวิป ร, ริตแปรปรวนไปด้วยมากไปน้อยไปขาดไปเลยอะไรต่ใดนี่ฮแม้แต่ระดับข่าวโลกถ้าเรามองหรืไอไเบื้องหลังจริงๆเลยก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นนะะตอนที่จะเป็นอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนี้อยู่ ทีนี้สมมติว่าไอ้นนี้ไม่มีส่วนแต่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นความดีอยู่แล้วการประโยชน์พันการปฏิบัติธรรมเป็นความดีอยู่แล้วเมื่อมีปัญหานั้นคือวิเคราะห์ที่ตัวเองไม่ได้ไปตรวจสอบที่คนอื่นจนสุดวิสัยไม่มีเจอแล้วจึงห า, าจากข้างนอกเพราะงั้นพระราชาในแยแ้นกาลิงฆราชท่านก็พิจารณาขอท่านอย่างนั้นดูแล้วไม่เห็นแล้วก็ต้องหาที่อื่น อันที่อื่นพ อ, พอหาออกออกนอกท่านจะเห็นว่าออกมีลักษณะสับสนทันทีเลยสับสนทันทีเนี่ยมันนึกว่าฝนตกเพราะมีช้างนึกว่าฝนตกเพราะมีช้างนึกว่าฝนจะตกเพราะแห่นางแมวนึกว่าฝนตกเพราะเอาพระไปนั่งตากแดดอยู่เป็สนสวดกลางแดดแะอะไร่าเนี่ยจึงจึงจึ ง, งพอออกนอกแล้วมันเผล่เห็นนะครั้งในเริ่มถูกดีแล้ว อ, ออกนอกเผลทันทีเลยเป็นนึกว่าได้เพราะช้าง ไม่ได้ดูที่คุณธรรมของพระราชาในตอนต้นนะฮะไม่ได้ดูคุณธรรมของพระเจ้าธนันชัยกรรพยะแต่กลับไปดูที่ที่ข้างนอกนึกว่าเงื่อนไขามาจากข้างนอกพอกลับไปอีกทีหนึ่งทีนี้เริ่มตั้งหลักได้ใช่ไหมความสับสนต่างๆเริ่มสงบลงตั้งหลักได้วิเคราะห์เชื่อมโยงได้ว่าเอไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่อันนี้นี่คือผิดแล้วแก้ตัวได้ ก็เป็นตัวอย่างที่เดียวไม่ใช่งมงายใดช้างไม่มาช้างนี้ไม่เก่งเลยขาช้างจริงเลยก็ต้องหาทางอีกที น, น, นี้เราเรามาดูนะฮะว่าในแนวการปฏิบัติกรุธรรมของท่านทั้งสิบเอ็ดคนนี้นะฮะการรักษาศีล้องมีปัญญารักษานะไม่ใช่ว่ารักษาโดยไม่มีปัญญาแล้วข้อปฏิบัติชั้นศีนั้นต้องเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่า เป็นการปิดกั้นพวกวิติกรมะท่านนั่นเองเป็นการปิดกั้นวิติกรมะคือโทษที่มันละเมิดออกมาทางกายทางวาจาแต่ว่าโลกมันก้าวขึ้นสู่ยุคพิเศษนะฮะปรากฏว่ายุคนั้นศีลห้าไม่ใช่ศีลมันเป็นกุรุเป็นเป็นเป็นธรรมะเป็นเมื่อเป็นธรรมะต้องเข้าถึงใจเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นศีลถ้าในชั้นศีลแล้วไม่มีปัญหาฮะ ทั้งหมดนี้ชั้นศีลไม่มีปัญหาทุกข้อนะฮะฉันศีลไม่มีปัญหาอย่างพระราชาไม่มีเจตนาพระราชาสงสัยในกรณีของปลานาธิบะเราไม่มีดีเจตนาอะไรเกี่ยวข้องกับการยิงปลาเลยนะเหมือนการฝึกซ้อมตนูต่านเองทนอุ้มไปตกถูกก็ถูกเหมือนกับเราเจตนาเดินกลางคืนนะฮะอาจจะเหยียบมดทําเต็มเท้าก็ได้แต่เราไม่ได้เจตนาเหยียบมดเราเจตนาเด่นถ้าในแง่ของธรรมะนะฮะในแง่ของธรรมะ ใจเศร้าหมองได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแน่นอนถ้าถึงขั้นของธรรมะมีปัญหาถ้าขั้นกลางศีลไม่ขาดศีลทุกคนน ะ, ะทุกคนไม่ว่าใครก็ตามทั้งสิบเอ็คนเนี่ยแต่ขั้นก็ธรรมะมีปัญหาทั้งหมดมีปัญหาได้ทั้งหมดนะทีนี้พอพระราชินีเออไม่ใช่พระพระเออพระราช น, นีนะฮะพระชนนีนั้นเอ่อท่านแน่งใจในกรณีว่าอคติหนึ่งไม่ยกย่องผู้ใหญ่ก็เชดิดว่าเรียกว่าเชถาประจยัย ยีนธรรม เ, เคยเคยพูดถึงวัตบท7นะฮะกุเลเชิถาประจายินังการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลผู้เจริญนี่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งนะฮะที่มีช่วยให้ไอ้ขนพาตกต้องตามมาดูการนะครับปัจจุบันนี่เราขาดธรรมะเหล่านี้เพราะงั้นในน้ำท่วมกรุงเทพบ้างก็ช่างมันแหละสมน้ำหน้าทีนี้พระราช น, นีนั้นท่าน ท่านแหนงใจในกรณีนี้นะฮะในกรณีว่าท่านอาจจะขาดการยกจ้องผู้ใหญ่แต่เรามองในแง่ของอเมตตาตามต้งควรแก่กรณีก็ไม่ใช่เรื่องอคตินะฮะเพราะคนหนึ่งเดือดร้อนเราก็ช่วยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้นะฮะคนหนึ่งเขาเขาไม่เดือดร้อนอะไรก็ให้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่คนหนึ่งก็เดือดร้อนก็ให้มากหน่อยแล้วนั้นเองแล้วทีนี้มหาอุปราชนั้นเราจะพบว่าท่านก็ไม่ได้จงใจ แต่ก็ไม่ได้จงใจอะไรเป็นความ เ, าเป็นเป็นเรื่องสถานการณ์นะฮะเป็นเรื่องของสถานการณ์รรณแต่ท่านแหนงใจว่าเป็นสัมปชานมุสาวาทสัมปชานมุสาวาทนั้นหมายความว่าเราตกลงนัดหมายกันแล้วแล้วไม่ได้ทำตามที่นัดหมายาในแง่ของพระวินัยนั้นท่านไม่ปรับปฏิทิีนะฮะถ้าชาวบ้านท่านก็ไม่ปรับเป็นมุสาาหรอก แต่ในแง่ของธรรมะแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นคือเพื่อนต้องยืนตากฝนคอยอยู่ข้างนอกออก็ทําให้บกพร่องในด้านธรรมะแต่ไม่ถึงกับเป็นสมัมมจาริหนุสาวาสนะฮะท่านท่านท่านเน้นกลับมาธรรมจาติุสาวาสเพราะว่าเราไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนาจะทําให้คลาดเพื่อนซึ่งท่านท่านท่านอาจจะเผลอไปหน่อยที่จริงถ้าส่งคนมาบอกจะหน่อยก็คงจะแ ก, แก้ปัญหาได้นะฮะคือหมายความว่าเช่นเช่นเรานัดหมายว่าจะไปนั่นไปนี้กับคนนั้นแล้ว เมื่อก่อนเราตั้งใจจริงนะฮะต้องตั้งใจจริงแล้วเกิดไปไม่ได้สุดวิสัยเขาไม่ปรับเป็นปาจิตติคือคื อ, ค, อ, ค, อคือถือว่าบาปไม่หนักฮะแต่ถือว่าเป็นบาปเหมือนกันเพราะมีคนเจะหายเกิดขึ้นเจะหายจากการนัดหมายของเรานั่นคือขั้นทีนนนนะ่มันประนีตขึ้นไปนะฮะศีลมันประนีตขึ้นไปพอเป็นธรรมะแล้วมันชักจะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น่ทีนี้พระราชเ ท, เทวี เ, เป็นชูทางใจ ในแง่ของศีลไม่มีปัญหาในแง่ของธรรมะที่ประนีตนะฮะศีลที่ประนีตมีปัญหาคือทําให้ จ, จิตใจเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะมันเกิดด้วยแรงราคะเกิดขึ้นด้วยแรงราคะที่กลุ่มรุมใจณนะวูบหนึ่งก็แรงพรอสมควรแล้วแจะวางแผนจนะแช่งไอ้ผัวตายด้วยแช่งจะหาผัวใหม่ด้วยมันหลายเรื่องท่านก็มีปัญหานิดหน่อยทีนี้พอมาถึงไตรระพูโรหิต เป็นอภิชาวิสมารโลกแง่ของธรรมะเป็นอภิชาวิสมารโลกคือโลภอยากได้ของของคนอื่นไปเห็นรถก็ปั๊บมนอยากได้ทันทีเลย อ, อยากได้ทันทีเลยแต่แ ต, แต่แต่ว่าท่านจะเห็นว่าท่านในแง่ของศีลไม่ผิดนะฮะเพราะท่านไม่ได้พูดอะไรท่าไม่ได้เรียบเคียงอะไรอย่างพระเราพูดเรียบเคียงพูดเรียบเคียงก็ไม่ได้นะมีโยมคนหนึ่งมาปรานาตมาอย่างค้ำไงต่างนีน้ท่านจะคุณอยากจะฉันอะไรนะ ปลาแปะซะวันไหนก็โทรบอกก็ด้วยโยมทำไมแม่ภาวนาเลยลึกซึ้งเหลือเกินพูดโดยเบร้งนะเนี่ยดูในคนอยากฉันปลาแปะสาก็ขอโทรบอกก็ได้จะทํามาให้ทําได้ยงไงไบอกให้เพื่อนเพื่อนเนะขาฆ่าปลาหนึงตัวแล้วก็คํานะฮะคนคนคนเรามันก็แปลกไม่ได้คิดอะไรว่าเออมันมันมีความเป็นไปได้หรืออย่างเงี้ยอันนี้ ในกรณีของปุโรหิตนั้นท่านไม่ถึงกับเรียบเคียงนะฮะไม่ถึงกับเรียบเคียงไม่ได้พูดไปทำนองอะไรก็ตามที่กระตุ้นให้ประาชาชนได้ประาชาชนท่านสานึกกันท่านเองแต่ท่านก็แน่งใจในแง่ธรรมะจงมีปัญหนานะทีนี้เราเรามาดูตึงไคละ่ะปุโรหิตหลังจากปุโรหิตแล้วก็ไอาชาักวัดนานะก็ลาบากเหมือนกันนะแต่ที่จริง อาการที่ไปถูกอย่างนั้นจะถูกอะไรเราก็ไม่รู้นะฮะถูกอะไรเราก็ไม่รู้แต่ในหนังสือท่านบอกว่าปูปูส่งเสียงเท่านั้นเองปูส่งเสียงคืออาจจะหลบหรืออาจจะอะไรก็ตามแต่ น, นี้ออกจะแรงหน่อยออกจะหนักหน่อยออจะหนักหน่อยเพราะว่าในแง่ศีลเนี่ยมันก็ออกจะจงใจพอสมควรนะฮะออกจะจงใจพอสมควรเพราะว่าถ้าเราจะทาให้ได้เราก็ปากให้ตื้นก็ได้มันจะแปลกอะไร ปักพอเป็นเครื่องหมายหรือไม่งั้นก็ขีดเอานะมันก็มีวิธีทํำได้มากกว่านั้นท่านตั้งหลายจะเห็นว่าการปฏิบัติศีลก็ดีธรรมะก็ดีนั้นจะต้องมีปัญญาอยู่ด้วยปัญหาบางอย่างเราแก้ได้ไม่ใช่เราแก้ไม่ได้แล้วก็มาอะไรคือสารถีสารถีนั้นเอในศีลข้อปานานะฮะปานามนไม่ถึงขนาดนั้นหรอกถึงขนาดว่าให้สัญญาณให้ม้าวิ่ง แล้วก็จะถือว่าเป็นบาปคือถือว่าเป็นมุสาด้วยแกแกมองในแง่มุสาด้วยเรามองในแง่ปานาคือเบียดเบียนนะฮะไม่ใช่ฆ่าเบียดเบียนก็ผิดศีลถ้าถ้าในแง่ของศีลที่ที่ประณีตเอ่อแล้วก็เป็นข้อนัดหมายฮะคือคือค่าก็ฝึกมามาอย่างเงี้ยแต่ถ้าทําอย่างเงี้ก็ไปอย่างเงี้ทําอย่างเงี้ก็ไปอย่างงี้จึงเป็นการพูดอย่างหนึ่ง ท่านได้โปรดเข้าใจาไว้สิลข้อที่สี่นั้นไม่ได้หมายความต้องพูดนะฮะไม่ได้หมายความต้องพูดจึงเป็นมูสาเนี่ยฮะแลบลิ้นใส่ก็ได้แล้วดา่าเขาแล้วนะแล้วลิ้นใส่ก็ดา่าเขาแล้วแล้วก็ เ, าเขาถามเ ร, เรื่องเรารู้เราสันติษระนี่ก็โกหกแล้วหรือว่าเรื่องเราไม่รู้เราพยักหน้ามันก็โกหกแล้วนะ <laughs> สินสินข้อที่สี่ไม่ได้หมายความต้องพูดนะฮะ ไม่ต้องพูดรู้ว่าทําสัญญาณยกนิ้วอะไรแต่ไรเนี่ยเรือวแม้แต่ว่าไอ้สัญญาณจะลาจรเราไปบิดหรือว่าลูกศรเราไปบิดอีกทิศหนึ่งฮเพื่อนบอกให้เลี้ยวขวาเราไปบิดให้เลี้ยวซ้ายแต่เพื่อนหลงมันก็โกหกแล้วอย่าเราจะเห็นว่าศีลข้อ น, นี้ไม่ได้หมายความว่าทําด้วยวาจาอย่าไปคิดว่าทําด้วยวาจา ม, มันทําทุกอย่างแหละให้มันเกิดเข้าใจผิดก็แล้วกันนถ้าเข้าใจผิดแล้วก็กลายเป็นมุสาวาตได้ฟันพอยกแทสเป็นสัญญาณ นั่นก็เป็นเป็นเป็ น, ปนมูสาวาดอย่างหนึ่งในความละเมียดละไมในด้านจิตใจของท่านสารสีนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นผิดธรรมะในข้อนี้ละเมียดละไมามากนะฮะขณะนี้ละเมียดละไมามากได้เกินแล้วก็คนตวงข้าวคนตวงข้านั้นท่านจะเห็นว่าต้องคงจะไม่กี่เม็ดอะ คงจะไม่กี่เม็ดซึ่งในกรณีนี้เขาถือว่าเรียกสำนองสำนองคือหมายความว่าถ้าเราไม่เกิดเราเกิดไม่แน่ใจขึ้ น, นานะฮะเราเกิดไม่แน่ใจว่ามันอยู่กองไหนก็เอาข้าวที่บ้านไปใส่ไปได้ตั้งสองกองก็หมดเรื่องใส่ไปตั้งสองกองใส่มากกว่าเราก็รู้อยู่มันกรรมขนาดไหนเราเอาไปสักขันนึงเลยสองขันไปเทละกองละขันหมดเรื่องสำนองให้ได้ถ้ามันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเราแก้ตก หรือว่าสมมุติคล้ายๆกันเราจัดการเงินนะฮะจัดการเงินเกี่ยวกับเงินบุญนี่น่ากลัวมากเงินบุญเนี่ยจะระมัดระวังเกิดสมมุติมันเผลอไปอะไรเอเงินนี่มันไปอยู่ตรงไหนแต่ ไ, ไม่รู้ว่นนางๆสมมุติว่าเงินมันหายไปส4่สิบ้าบาทเราใส่เพิ่มไปสิบบาทห า, หายห่วงไปเลยตัดปัญหาได้เลยเมื่อไม่ให้มันมีมณทินใจอยู่เราแก้ปัญหาได้ตลอดปัญหาพวกนี้เราแก้ได้ตลอดนะฮะแต่ทีนี้ท่านปล่อยมันค้างไว้ภายในใจตัวเอง เปลอยข้ามันก็มีปัญหาขึ้นมาทาให้เกิดแหนงใจแล้วพ อ, พอแหนงขึ้นมาเนี่ยมันเดินไม่ได้เดินต่อไปไม่ได้มันสะดุดเอนี่ปัญหาพอนั่งสมาธิดีไปใจจะสงบไอ้ศีลวันนั้จะแย่ขาดศีลหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยไม่ฮะไม่ได้ภาวนาพุโทโธเราคิดแต่เรื่องผิดศีลหรือเปล่าถึงนั้นะ <laughs> มันก็เดนินก็เดินไม่ได้มันก็นั่งคิดอยู่ตรงนั้นอะ นี่คือสิ่งที่เป็นมวลทิน้นใจมั่นกลายเป็นป ร, ปริโพน์คือเครื่องกังวุ่ใจต่อมาก็คนรักษาประตูคนรักษาประตูความเข้าใจผิดอย่างนี้เราเราเรียกว่ากล่าวพลาดหรือกล่าวว่เข้าใจผิดเราไม่ได้เจตนาหยาบคายอะไรเมื่อนั้นเราก็ขอเข้ามานะฮะเรี่ยกล่าวพลาดในแง่มุสาวาทไม่มีปัญหาแต่ในแง่ธรรมะนะฮะคนเสียหน้ามากนะฮะคนก็เสียเพราะงานัน ท่านในแง่ธรรมะก็ถือว่าผิดแต่งแง่ศีลไม่ผิดกล่าวพลาดเรากล่าวแก้จะได้แล้วขอโทษขอโท ษ, ขโทษเขาหน่อยก็ ก, ก, ก็มันก็มันเผลอกันได้บอกวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์ก็ได้แต่ว่าต้องบอกแก้ตัวเส่นในขณะนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าอีกเจ็ดวันยังกลับมาบอกใหม่วันก่อนบอกผิดไปอย่างนี้เพื่อนไปผิดไปแล้วยางไงไม่ได้กล่าวพลาดต้องแก้ได้ในขณะนั้นกล่าวพลางกล่าวพลาดในชั้นศีลไม่มีปัญหาในชั้นธรรมะ เราก็แก้ได้ด้วยการขอโทษขออภัยเข้าเขาจผิดแต่ไม่ได้เจตนาสรุปเจตนามันไม่มีอะอนางวันนาทาสีนางวรนนาทาสีท่านยังไม่ได้รับนะคือคือคื อ, คอถึงแม้จะเหยียดกายออกแต่อย่าลืมมาทังแง่ของศีลที่ประณีตไม่ได้นะฮะแง่ของศีล ท, ที่ประณีตอย่างของตั้งเนี่ยของที่เรียกว่าเป็นวัตถุของอธินาทานเนี่ยมันมันมันมีอยู่3จาจังหวะหนึ่งมีทายจิตกิดจลัก อันนี้สวยอยากรักใช่ไหมฮะอยากรักนี่จิตเริ่มเกิดโลภะแนละอยากรักไปเกิดเป็นรูปกรรมรูปกรรมจะเจอเจอนะ่ะแมมนหมน่าอันนี้ถือว่าอวบตตุกดขึ้นเลยฮะเกิดถ้าพระแล้วมันจะกลับสามจังหวะสมมติว่ารักของนะฮะรักของเราเราต้องดูวินัยของพระถึงมันละเอียดของเนี่ยไปถึงแหมมันดีจังไงเนี่ยคุณภาพดีจังเป็นรูปเป็นรูปไปถูกต้องก็งงถือว่ารูปกรรมเนี่ย อาบตดมันเพิ่มขึ้นแล้วฮะมันมันเคลื่อนไวหวทั้งใจทั้งตั้งกายนะฮะรูปคำมากจนความอยามันสูงก็ขยับขยื่ น, นะฮะเพื่อทาให้ไหวอาบาดมันก็ขึ้นไปอีกตัวหนึ่งเป็นทุนละใจเป็นตุนละใจพอเคลื่อนหมดจากฐานอะเลื่อนมาจากฐานก็เป็นประราชิกเต็มเต็มยศเลยเราจะเห็นว่าในแง่ศีลสายนี้ที่ประณีตนะฮะก็พอรมควรทีเดียวลึกซึ้งออกมากลึกซึ้งออกมาก นางวรนนาทาสีถ้ามองในแง่ธรรมะท่านก็บกพร่องในด้านธรรมะเพราะมาเกิดโลภขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ว่าในแง่ของกฎหมายท่านไม่ผิดนะฮะเพราะว่ากฎหมายยกให้แล้วในแง่ของศีลท่านก็ไม่ผิดแา่ในแง่ก็ธรรมะผิดและนี่ขึ้นไปเป็นชั้นๆเศรษฐีเองก็เหมือนกันเศรษฐีคล้ายๆกันนั้นนะฮะคล้ายๆกับคนตวงข้าวเราแก้ได้ปัญหาเนี้เพราะว่าเราเอาไปไม่ได้มากมายอะไรละเอาขึ้นนะ มาคืนสา ม, มองจ่ายคืนให้มันมีลักษณะอย่างหนึ่งในภาษาทางพระวินัยเขาเรียกว่าพันธะไทยพันธะไทยหมายความว่าเป็นพันธะที่เราเราเราจะต้องทําตัวเราให้เป็นอิสระเช่นสมมติว่าเราไปทําของเขาหายนะฮะเราไปทําของเขาหายเราก็หามาชดใช้ให้หามาชดใช้ให้ตาม ตามที่เจ้าของเขาบอกแต่ไม่ใช่เจตนาจะรักนะฮะไม่ได้เจตนาจะรักคือของมาเกิดหายไปเราก็สุดวิสัยเราก็ชดใช้ให้ครับเพราะฉะนั้นในแง่ศีลก็ไม่เสียในแง่ธรรมะก็ไม่เสียแต่ถ้าไม่ชดใช้ถือว่าเป็นพันธะไทยยกตัวอย่างพระเรานะฮะไม่ใช่พระหรอกโยมก็เหมือนกันนั่นแหละยกตัวอย่างว่าโยมตีตัวชั้นสามนะฮะ เห็นเห็นชั้นสองว่างๆเป็นอยู่เป็นนั่งชั้นสองเจ็บไปตั้งๆัีงตื่นตัวชั้นสามเพราะฉะไอ้เงินที่มันมันมันเหลือจากชั้นสามไปเหลือจากชั้นสามไปถือว่าเป็นพันธะไทยเป็นพันธะไทยที่เราจะต้องชดใช้ให้แก่การรถไฟเขาไอ้พวกนี้ไม่มีเงินจ่ายนักงานายตอนนี้มันกระทวงก็ให้ก็ต้องให้เขาถ้าไม่งั้นถือเป็นพันธะไทยเป็นเป็นเป็นเรื่องปฏิบัติลําบากมากนะฮะ มาเวลาขึ้นรถไฟจึงนั่งชั้นสูงสุดเลยชั้นสูงสุดเลยคือเอาแอร์เดี่ยวปรับอากาศเลยเราเดินหน้าตลอดสายเราลงล่างได้นะเราลงล่างได้เพราะว่า เ, ออเราจ่ายชั้นสูงสุดไว้มันแม่งมันมีปัญหาหมดอลยเอานึกจะไปเยี่ยมพักพวกหน่อยชั้นชั้นหนึ่งเราไปนั่งชั้นสามเราก็ไม่กล้าขึ้นไปมานั่งอยู่งนั้นะก็ไปพบกันเวียลงจากนั้นเพราะงั้นเพื่อไม่มีปัญหาเวลาขึ้นรถไฟเลยขึ้นบอนอแอร์เดียวทุกทีเลย เพื่อเพื่อสามารถเดินได้ตลอดสายถ้าอยากจะเดินนะฮะแล้วเราก็สบายใจเราเป็นเรื่องที่ละเมีิดละไมในชั้นศีลในชั้นธรรมะนะฮะเราก็ไม่ต้องการให้มีมลชินอะไรแต่ว่าในปัจจุบันนั้นท่านทั้งหลายจะพบว่าเราก็ต้องมองในแง่ศีล ใ, ให้ได้เสก่อนถ้าเรามองลึกซึ้งเกินไปนะแล้วเราจะมีปัญหาหมดเลยเราจะมีปัญหาหมดเลยอย่างท่านเหล่านี้ท่านมองมองละอิ มองละเอียดเกินไปแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนั้นเรื่องที่ควรแก้ทําให้แก่เรื่องที่ควรตัดสินท่านไม่ตัดสินเพราะไม่ยอมใช้ปัญญาในแต่ละจุดให้มันชัดเจนลงไปเลยเ อ, อย่างยกตัวอย่างในกรณีเนี่ยในกรณีคล้ายๆกับของนางของของท่านเศรษฐีอ่ะคล้ายๆกับของท่านเศรษฐีหรือคล้ายๆกับของคนตวงข้าว ในปัจจุบันนี้มีเยะฮะบางทีก็มีแอปปิ้มีอะไรตัวอะไรมาเนี่ยมันถวายพระเราไม่ไม่รู้ว่ามันหนีภาษีหรือเปล่าไม่รไม่รับรู้แบบตับคืนไปสืบถามโยมเราไม่เราไม่รู้ถามใครกันนะฮะไม่รู้ถามใครกันมาอย่างไงก็ไม่รู้เพราะงั้นเราต้องตัดเฉวพาะตอนไปเลยเราไปรับรู้ไปสืบสาวไม่ได้ถ้าไปสืบสาวเรากินอะไรไม่ได้หมดเลยใชฮะ เอ๊ผักนี้ก็ฉีดยาฆ่ า, มาแมลงมาหรือเปล่าน า, าแมลงตายนี่เราเต็มกินผักข้าส่งเสริมปานาที่บาดและถ้าจะแย่เล ย, เลยจบเลยจบเลยเราก็หยุดแค่ผักนั่นแหละแค่ผักที่เราซื้อนั่นแหละเราไม่ได้คิดต่อเราไม่ได้เกี่ยวอะไรฮเราไปซื้อผักข้อเกี่ยวข้องเราระหว่างคนขายผักกับเราเท่านั้นเองเราไม่ไปไเกี่ยวข้องคนอื่นแต่ความสํานึกบุญคุณของชาวนาที่ทํานาชาวสวนที่ปลูกผักเราเรามีนะฮะ แต่เราไม่ได้คิดว่าเขาทำมาอย่างไรก็ได้มายัางไงตามาอย่างนั้นแล้วยุ่งยุ่งหมดเลยถ้าไปไปคิดมากเกินไปนะฮะแม่แต่ถนนเองก็เดินไม่ได้ถนนก็เดินไม่ได้มดมั่งแล้วตอนที่เขาสร้างถนนนีนนสัตว์คงตายแยะเลยเอส่งเสริมปานาริบาตีถนนนี่ก็เดินไม่ได้นะมันก็เกี่ยวข้องกันหมดเลยการเข้าใจพระพุทธเจ้าจึงวางเป็นองค์ไว้ ในเชิงปฏิบัตินี่เราจะเห็นว่าเราจะไม่สับสนเลยถ้าเอาตามตามเต็พระเจ้าว่าไม่ใจไปเอื้อมเอาว่าโอ้ยเราต้องถ้าเราไม่กินปลากินเนื้อก็จะไม่มีคนฆ่าสัตว์มันไม่จริงหรอกครับมันไม่จริงหรอกคนฆ่าก็าคนฆ่าคนกินก็คนกินน่ะบางคนละเรื่องการเมื่อวานเนี่ยมีเด็กมามาอบรมเด็กเรียนน่าจะสินมา300ร้อยค น, นะจะมาก็มามาพูดปับ๊บแกร้องน้ําตานองหน้าเลยนะพอถามาหนาหน่อยเดียวนะทับแทนใจเรื่องแม่ไปมังสวิรัต ที่ไหนทำนักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนี้บ้านมันเกิดความไม่สงบขึ้นมาแกแกแกก็มาเล่าแกก็มาระบาย ค, คือแสดงว่าคงคงอัดอั้นแย่นะพอพอพูดสงถามมาโยงเนี่ยร้องน้ำตาหอกหน้าแล้วก็ซับน้ำตาอยู่ตลอดจนพูดเสร็จเลยมีเพื่อนมานั่งมีครูมาอาจารย์มาเพราะอะไรเพราะแม่นั้นไปมองในแง่ที่ไม่มีเหตุผลนะครับส่งเสริมการฆ่า เราไม่อยากจะกินเป็นบาปเพราะงั้นข้าวเราก็กินไม่ได้นะฮะเดี๋ยวนี้ยมันกินอะไรไม่ได้ทั้งนั้นทําอะไรไม่ได้แม้แต่เดินก็ไม่ได้ผ้าที่นุ่งอยู่ก็ไม่ได้นะฮะยิ่งผ้าไหมยิ่งใหญ่เลยข้าเพื่อนมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่รู้ยุ่งกันหมดเลยรองเท้ารองเท้าใสไม่ได้หมดเลยเราจะเอื้อมใจอย่าเอื้อมก็เรียกว่าเกินมูลกรณีไปนะเราไม่ได้เกี่ยวขอเราไม่มีเจตนาเราไม่มีเจตนาเท่านั้นเป็นพอเราไม่มีส่วนเท่านั้น ไม่มีส่วนแต่ถ้าเรารู้ไม่ได้นะรู้ไม่ได้เช่นว่าวิทยุหนีภาษีมาหนึ่งเอาพี่ที่เอาวิทยุหนีภาษีมาขายนะถูกนะพี่นะนี่วิทยุเนีของหนีภาษีเออดีน้องๆาจ่ายเลยอย่างงี้ไม่ได้เป็นอธินนาทานแน่นอนนะเป็นอธินาทานแน่นอนแล้วครเพราะว่ามันก็เรียกว่าสุงกะคาตะสุงกะคาตะคือไม่เคารพกฎเกณฑ์นะคร สุงกะคาตะคือไปฆ่าสวยพูดดีนะภาษาบาลีต่าใช้กันดีสุงกะคาตะสุงกะเราแปลทุกวันก็คื อ, อคือภาษีนะฮะคาตะก็คือการฆ่าห ร, รือด่านก็ได้นะแต่สองอย่างที่มันแปลดีก็คือว่ามันไปตัดเ ง, เงินรายได้ของรัฐไปฆ่าเงินรายได้ของรัฐแล้วก็ส่วนของเราก็มีเป็นอธินาทานเป็นอธินาทานแล้วก็มีลักษณะไม่เป็นสัมมาชีพ เพราะงั้นความสงสัยของท่านเศรษฐีนะฮะของท่านเศรษฐีก็ดีของนางปุณณธาศีของของนางวันณาธาสีก็ดีนะฮะมันมันก็อยู่ในเครือของพวกอธินาธานหรือว่าของท่านคนที่ตวงตวงข้าวแล้วของท่านบุโรหิตก็อยู่ในเครือนั่นมันมันของท่านบุโรหิตที่จริงไม่ไม่ไม่มีอะไรนะฮะเป็นมโนทุจริตถ้าจะเอาให้ลึกซึ้งในแง่ของกุศลกรรมบุก็อยู่ในระดับมโนทุจริต อธิน่าสรรเสริญประการหนึ่งก็คือว่าท่านเหล่านี้ต่อมาเป็นพระรยบุคคลหมดอย่างที่ว่านะฮะแล้วก็พระเจ้าธนัญชัยโกรพระยะเองก็เป็นพระพุทธเจ้าสแสดงถึงพื้นอัธยาสัยนะฮะพื้นอัธยาสัยของคนเราที่ได้สร้างสมบรมมาว่ามั น, ม, นมีมาจากนั้นนะฮะมีมา เรแตกต่างกับคนอื่นมาตั้งแต่ต้นแต่ทีนี้ไอา้จากพื้นอัธยาศัยเนี่ยก็ทําให้เรามองบางครั้งบางคราวพ่อแม่บางคนเป็นหวงวิตกกังวล น, นะเรื่องลูกเรื่องต้าของตัวเองบางทีลูกเป็นผู้ใหญ่จะมีลูกสักห้าคนแล้วยังไปวุ่นวายกับเขาคือเราต้องต้องมองในแง่ว่าหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องเมตตาก็เมตตาแล้วกรุณาก็กรุณาแล้วมุทิตาก็มุมทิตาแล้วบางเรื่องต้องอุเบกขาได้ ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่ส ง, งบอยู่ตลอดเลยเราจะไม่ไม่ส ง, งบอยู่ตลอดเลยเพราะเพราะอะไรเพราะว่าไอความต้องการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นแล้วก็วุ่นวุ่นกันอยู่เนี่ย เ, เรื่องมันเรื่องมันจําเป็นจะต้องปล่อยต้องวางได้หรือว่าอันตรายของท่านทั้งหมดทั้งแปดคนปัญหาเหล่านี้ที่จริงมันอะไรกต a n ส a nati ิป t ิก a r a n สิ่งที่ทําแล้วทํากืนไม่ได้จะดีก็ดีแล้วจะไม่ดีก็ไม่ดีไปแล้วเพราะงั้นนับเหมือนกันใหม่ไม่ต้องไปคิดมันเวลานั้นอะ่ะแล้วไอ้ธรรมะแลาจะมาทานใหม่ได้นะสมาทานใหม่ได้อย่างศีแล้วก็สมาทานใหม่ได้เราก็แก้ปัญหาได้ก็ปล่อยปล่อยวางไปเลยเสร็จก็เสร็จไปไอ้ที่ผิดก็ผิดไปนับหนึ่งกันใหม่ได้ทีนี้ จากพื้นอัธยาศัยบารมีของท่านเหล่านี้นะฮะเราจะเห็นว่าท่านมาอยู่คนตั้งเยอะน ะ, ะรักษาแคร่งครัดอยบเอคนนั่นเองถึ้งเมืองอะรักษาเครครัดอยู่เพียงเท่านั้นสแสดงถึงความพิเศษของท่านเหล่านั้นเองนะฮะเพราะเวลานั้นก็ไม่มีศาสดราไม่มีอะไรแต่ใครไปสั่งสอนอะไรทีนี้เราเรามามองกลับถึงในยุคในสมัยนี้นะฮะบางคนก็คิดหวังจใจลูกเป็นอย่างที่ตนต้องการเป็นซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ บ้านหน้าหน้าที่เราทําได้เท่าไหนาเราก็ทำเท่านั้นเนี่ยเต็มที่ไปแล้วและในที่สุดต้องอุเบกขาได้เราอย่าลืมว่ามันเหมือนกับพื้นดินที่มันดียังไตงตัวเราเชื้อสายเราดีโดยเกินเราไม่มีปัญหาเลยตั้งแต่โคตรเก้าเรามาไอ้โน้มมาแหลมแผลงกันมาคนมันล่างผลาญ ส, สกุลวงศ์ที่ปั่นปนหมดเลยมันไม่รู้จะทํำยังไงอะที่ดินแปลงนี้ดีจริงๆริะแต่ว่าเขาเอาพืชเทนิดไม่ดีมาปลูกอะจะทําไง เอาพวกรังตังช้างลังตังกวางกันมาปลูกก็คันกันเป็นแถวต่นนั้นเองว่ารู้จะทํายังไงนะสวนกุหลาบจะไปเจอลังตังก็ต้นเดียวแต่มันก็คันกันว่ารุำควรกันรังๆ ท, ที่ว่าสวนก็เป็นสวนกุหลาบนี่คือคือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างนะเมือม่อเมือม่อเมื่อฐานข้างล่างมันดีแล้วทุกอย่างจะมาเกิดดีเพราะคนเรามันมาด้วยกรรมอะมาด้วยกรรมตั้งแต่ละคนบางคนเราเอาไม่ไหวต้องทําใจเป็นอุเบกขาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้นะฮะ การใช้หลักธรรมะคือเบกขาในโอกาสที่เหมาะที่ควรในกรณีที่ถ้าหากว่าเราใช้อย่างอื่นแล้วเดือดร้อนนะฮะก็ต้องใช้อุเบกขาธรรมะคือพรหมิหารนี้เราต้องต้องนึกี่ยู่เสมอนะคล้ายๆกับว่าพอมีปัญหาแล้วก็หลบเข้าร่มได้หลบที่พักได้ฝนตกหลบได้นะฮะแดดออกก็หลบได้มีพายุมาก็หลบได้ก็หลบได้คือหมายความอุเบกขามีลักษณะอย่างนี้น ต้องมีที่พักอยู่เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วพายุลงฝนลงมาไปยืนปะทะไปท่าแดดลมฝนอย่างนั้นก็เป็นอันตรายเรื่องการทําใจของเราก็เหมือนกันท่านเหล่านี้ปัญหาสําคัญก็คือไปเป็นห่วงใหญ่กับอดีตวิตัวตกังวลกับอดีตแทนที่จะปรับปรุงเฉพาะปัจจุบันหรือว่าคนเราเป็นส่วนมากนั้นไปก็วุ่นวายกับเหมือนกันแหละฮก็เพรากันน่ะ แต่ว่าในกรณีของคนเราต้องยอมรับความจริงว่าพื้นอัตยาสัยดั้งเดิมเนี่ยที่ติดมาจากเป็นจิตสันดานของเขาเนี่ยมันเหมือนกับอะไรนะมันเหมือนกับฉางที่ก็ก็อุปมามันก็ฉางจางหลวงนะจางหลวงก็เข้าเปลือกไว้ใสไปสองสามค ร, ร ม, มาดูไม่เห็นนะดูไม่เห็นเพราะเพราะว่ามันใหญ่เกิน ทนี้คนเราที่มันประเภทอะไรก็เรียกวัวใต้น้ํานะประเภทบัวใต้น้ำนะเราจะเร่งไงมันบานมันเป็นไปไม่ได้่ะมันปล่อยมันไปบัวบัวใต้น้ํารอคอยเวลากันหน่อยนะถ้ายังโผล่ไม่ได้แล้วก็เต่ามันกินปลามันกินก็สัตเพศสัตว์ตาได้นะเพสัตว์ตาต่างหลายนะเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนก็ว่ากันไปใจเราก็จะสงบได้แต่ว่าที่ประเด็นที่สําคัญที่ที่น่าคิดนะฮะก็คือว่า โดยความเชื่อถือของคนโบราณนั้นความวิปลิดแปรปรวนของธรรมชาติเกิดขึ้นจากคนมีส่วนถ้าคนดีอยู่ในที่ใดนะคนดีอยู่ในที่ใดที่นั้นจะมีความร่มรื่นเป็นสุขและถ้าเราไปมองดูในที่บางแห่งนะฮะในที่บางแห่งมันลุกเป็นไฟเลยนะฮะเป็นพื้นสีแดงแล้ไม่ใช่สีชมพูเลย พอหลวงพ่อท่านย้ายเข้าไปปักกลดแถวนั้นเนี่ยปืนสีชมพูเป็นพื้นสีเขียวไปเลยฮะนี่แสดงว่ามันก็แก้ปัญหาเหล่านั้นได้สามารถขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นพยันตรายทั้งหลายได้แม้จะขจัดไม่ได้นะสมมติว่าขาจัดไม่ได้เราก็ขจัดปัญหาในตัวของเราเองได้เพราะธรรมานั้นจะคุ้มครองรักษาบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมกุรุธรรมชาดก เป็นเรื่องที่ท่านต้องการสะท้อนให้เห็นคนสองยุคนะฮะแล้วก็สองพื้นฐานคนสองยุคสองพื้นฐานไอ้พระองค์หนึ่งไอ้องนักดีตรวจนั้นยุคใหม่นะฮะที่จริงเป็นคนยุคใหม่ถ้าเทียบกับท่าน11ท่านแล้วเนี่ยก็ถือเป็นคนยุคใหม่แต่ว่าจิตสันดาลอยู่ในเพศของผู้ที่ควรสํารวมระวังแต่ยังไม่สํารวมระวังอีกท่าน11ท่านซึ่งเป็นคนยุคก่อน อยู่ในเพศซึ่งไม่จำเป็นจะต้องสำรวมระวังขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเป็นคาวาสทั้งหมดเลยแต่ยังมีความสำรวมระวังมีความรังเกียจบาปมีคา ม, มีความรู้สึกแหนงใจละอายต่อบาปอะไรละ่ะฮะพื้นพื้นอัธยาสัยพื้นอัธยาสัย โอกาสเอื้ออานวยมากนะองนี้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ถ้ำกลางพระสงฆ์แวดล้อมอยู่าอาน้ำอยู่มันมันเงื่อนไขต่างๆเลยมันน่าจะช่วยมากได้เกินนะช่วยอะไรไม่ได้เลยช่วยอะไรไม่ได้แต่โอโนนไม่มีเงื่อนไขหนุนเลยมีแต่เงื่อนไขาบา ร, รมีธรรมขั้าหนุนแต่ท่านก็ดีขับท่านได้นะฮะก็ข้าทําอนองเดิมนะฮะของดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทองอย่างที่ว่าเนี่ยถึงได้เจ้าของก็เหมือนตัวอย่างทังซ่อนตู้อุดบุุดหลุงฝังก็มีวันปรังอรังเฉอมันอยู่เป็นทองมันก็เป็นทองอ่ะ ทองก็เป็นทองอยู่ที่ไหนมันก็เป็นทองคนดีก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนมันก็เปล่งประกายความดีออกมาได้คนชั่วก็ก็ทํานองนั้นน <c oughs> ะก็อยู่ในยุคในสมัยไหนสิ่งแวดล้อมอย่างไงถ้ามันชั่วมันก็ปล่อยกลิ่นเหม็นออกมาจนได้เหมือนกันนะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นได้หลายมุมีเดียนะครับ ว, วันนี้ก็หมดเวลาลงในเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกางามพัยบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเธอ